ในปัญญาอะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้แล้วสังคมโลกทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วได้บุญได้ปัญญาอะไรมาบ้างจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะต้องไข้ครวนเป็นอย่างมาก น, นะและใคร้ครวนจนแยกแยะออกว่าอะไรคือทุกขอะไรคือเหตุแห่งทุกขอะไรคือความดับทุกขอะไรคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะมันต้องได้ปัญญาเนี่ยพราะนั้นความเป็นพหูสู่เนี่ยเป็นอาหารที่ใหญ่มากของ ปัญญาเนี่ยนะการพิจารณาเนี่ยนะเพราะถ้าปัญญาเนี่ยนะจะไม่เกิดเลยถ้าไม่พิจารณามันคนที่พิจารณาเนี่ยคนขี้เกียจหรืหอคน ข, ขยันพวกนี้ไม่ใช่นิ่งเป็นหลับเนี่ยนะซึมแล้วก็ซลิไปเลยเนี่ยนะไม่ใช่แบบรีรีรีรแบบที่เรียกว่าหดหูเนี่ยนะพวกรีทั้งหลายน่ยไม่ใช่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาปัญญาหลั่งไหลเหมือนกับกระแสคลื่นเนี่ยนะปัญญาเขาเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้ามิลินเนี่ย ทำบุญนละตั้งความปรารถนาขอให้มีปัญญาดุดคลื่นในในเรียกว่าคลื่นน้ำมันนะคลื่นน้ำเนี่ยสมมติเราไปไปที่คลองที่อะไรเนี่ยโอ้คลื่นมันเยอะทําบุญบอขอให้มีปัญญาเหมือนคลื่นพระนาเคเซนบอกขอให้มีปัญญาเหมือนฝั่งคลื่นจะมากี่คลื่นมันก็ไม่เกินฝั่งหรอกว่างั้นนะเราขอให้มีปัญญาเหมือนคลื่ น, ล น, น, น, ญญ น, ลนและเหมือนฝั่งมีใครเทียบเลยใช่ไหมคเนี่ยอ่นะ ก็ตั้งความปรารถนาให้ปัญญาเนี่ยเกิดเหมือนเป็นหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะแล้วถามว่าถ้าไม่งั้นแล้วต้องเป็นนักพิจารณาขนาดไหนเพราะันเห็นทุกเรื่องจึงพิจารณามากเล น, นะอย่างสมมติถ้าเป็นแนวทางของการเจริญการพิจารณาเนี่ยนะถ้าเราเรียนมงคลมาเนี่ยแลเอามงคลไปพิจารณาลงเรื่องอะไรแล้วบ้างในชีวิตจริงเนี่ยนะ เช้าเนี่ยสองข้อชีวิตลงมงคลไหมสายเนี่ยมองชีวิตให้เป็นมงคลไหมตอนบ่ายตอนค่ําอะไรเป็นมงคลทั้งวันได้มงคลกี่ข้อกลางคืนได้มงคลกี่ข้อช่วงเช้าได้มงคลกี่ข้ออ่นะวันอาทิตย์ได้กี่มงคลวันจันทร์ได้กี่มงคลอังคารเป็นต้นมงคลแะใกล้เมื่อไหร่มงคลจะบริบูรณ์หรือมงคลตัวไหนมันเศร้ามองตัวไหนยังไม่เจริญหรือทําไมจึงไม่เจริญเพราะอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคือคือเอามาเป็นแบบอะไรอุตสาหกรรมทางความคิดเนี่ยนะ โรงงานอุตสหกรรมนางควาอุตสาหะแปลว่าขยันกรรมแปลวา่ารมอุตสาหกรรมแปลว่ารมด้วยความหมั่นด้วยความขยันอุตสาหกรรมนั่นแหละคือกรรมฐานนั่นเดียวกันนั่นนะก็คือเจริญให้มันเป็นกรรมฐานเอาเป็นเรื่องเป็นราวเอาเป็นการเป็นงานเป็นอาชีพเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นมันถือการพิจารณาเป็นการปฏิบัติเนี่ยถือการพิจารณาเป็นการปฏิบัติถ้าตอนไหนขี้เกียจพิจารณาทำไง ทําไมจึงขี้เกียจพิจรารณาแต่ต้องสําคัญนะว่าเออตอนฟุ้งซ่านอย่าขยันอย่างนั้นนะตอนฟุ้งซ่านก็เจริญแบบอะไรนะคิดอะไรให้สบายใจก่อนก็ต้องแยกแต่ น, นี้เราพูดถึงปัญญาแต่พูดพูดถึงสมาธิละไว้ในฐานรองรับของปัญญาะคนที่จะมีสมาธิจริงก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาจริงจะต้องรู้ว่าเหมือนกับแสงสว่างนี่ต้องมีภาชนะรองรับไหมแสงไฟเนี่ยมันต้องมีหลอดรองรับใช่ไหม เทียนทั้งหลายประเทศทั้งหลายก็ต้องมีฐานที่รองรับเนี่ยนะถ้าไม่มีฐานรองรับไฟเหล่านั้นจะเป็นยังไงปัญญาทั้งหลายก็เหมือนกันแม้แต่การเรียกว่าคมของศาสตราทั้งหลายก็ยังต้องมีสรรมีมีอะไรเป็นที่รองรับฉันใด ผู้ที่มีปัญญาที่จะใช้ความคมของปัญญาก็เหมือนกันจะต้องมีฐานอย่างอื่นเพื่อที่จะรองรับถ้าปัญญาไม่คมไม่แก่ไม่กล้าเพราะอะไรเนี่ยนะก็ต้องไครโควนะนิย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจริงเนี่ยนะใครมั่งที่ชีวิตที่จะรับอารมณ์เร ว, ว่าโหดร้ายสุดๆเท่ากับพระพุทธเจ้าชาตินี้นะเอาเฉพาชาติสุดท้ายเนี่ยท่านรับอารมณ์ที่โหดร้ายถึงที่สุด ปวดหัวชนิดที่เรียกว่าแค่เหมือนก็ว่าจะระเบิดเลยละเนี่ยนะปวดหัวเหมือนแบบคนขันชนะร่างกายเหมือนกับถูกย่างสดเนี่ยนะเหมือนกับถูกย่างเป็นเนี่ยลมเนี่ยออกหูใครเคยได้ลมออกหูบ้างอะนะอาจจะออกดีนิดหน่อยแต่นั้นหัวแล้วปวดหัวชนิดแล้วท้องเนี่ยใครจะพร้อมขนาดรูปหลังถึงท้องมั่งรูปท้อ ง, งถึงหลังมั่งเนี่ยนะปั๊บเนี่ยนะวิงเวียนเป็นลมมั่ยเนี่ยนะแล้วก็บอกรู้ด้วยนะว่าคนที่เคยทุกทรมานในอดีตเนี่ย แค่นี้แหละเพราะถ้าเกินกว่า น, นี้อีกลิมิตเดียวหรือนิดเดียวตายไอ้คนอนาคตที่มันจะทุกข์มันก็ไม่เกินนี้หรอกมันก็แค่นี้แหละถ้ามันเกินนี้มันก็ตายปัจจุบันเนี่ยนะผู้ที่เสวยความทุกข์เจ็บปวดแสนสาหัสเนี่ยนะนะมันก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่ก็ไม่เผลองั้นสิ่งที่ท่านเกิดขึ้นตอนที่เกิดความเจ็บปวดท่านเรียนรู้หมดเรียกว่าเรียนรู้ทุกอนูของร่างกายเหมือนนนะเรียนรู้ทุกอย่างของและความคิดทุกความคิดท่านเอามาคิดหมด เอามาวิจัยเลือกเฟ้นคนอื่นคิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความคิดเหล่าใดเนี่ยวิจัยไข้ครวญจนแยกแยะเนี่ยนะจนกว่าจะได้ตรัสรู้พันกะระแสแห่งปัญญาเนี่ยหลั่งไหลเหมือนกระแสน้ำอย่างนั้นเถอะตลอดหกปีเนี่ยกะระแสแห่งปัญญาเนี่ยหลั่งไหลอ ย, อย่างเดียเพราะวันท่านท่านไม่ได้คุยกับใครเลยเป็นคนพูดน้อยมากเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าดูตามคำภีแล้วเอ๊ะท่านไปสนทนากับใครม้าง พระโพธิสัตว์ไปคุยกับใครเนี่ยมีคุยกับพระเจ้าพิมพิสารที่เหลือแทบไม่ได้ยินว่าคุยกับใครบ้างเลยเนี่ยนะอาจจะมีนะแต่ว่าน้อยมากอาจจะทักทายกันนี่นี่นนหน่อยหน่อยแต่ถือว่าน้อยมีคุยกับพระเจ้าพิมพ์พิสารมีสนทนากับอาลาและดาบทมีสนทนากับอุทกาดาบทถ้ายิ่งอยู่กับปัญจวัคคีย์แล้วไม่รู้ได้คุยกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้แล้วที่เหลือท่านคิดอะไร นะท่านคิดว่าอย่างไรท่านจึงรู้อะไรเป็นเหตุเกิดของมหาภูตรูปสีอะไรเป็นความดับของมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสีมีความน่ายินดีอย่างไรแล้วโทษของมหาพูดอย่างไรจะเปลื้องจิตให้พ้นจากดินน้ำไฟลมแต่ละอย่าง อย่างไรเนี่ยนะแล้วก็อะไรเป็นขันธ์ห้าอะไรเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแล้วจําแนกเหล่านี้คูณอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยากระเอียดเลวประณีตไกลใกล้และสิ่งเหล่านี้มีเหตุให้เกิดเท่าไหร่แต่และอย่างมีเหตุเกิดความดับแต่ละอย่างเป็นอย่างไรอ่านะแล้วสิ่งเหล่านี้น่ายินดีอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้มีโทษอย่างไรแล้วทำที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรแล้วคิดอย่างไรจึงจะสลัด ออกจากสังขตธรรมทั้งหลายเหล่านี้คิดอย่างไรจรึงจะสลัดออกจากสังขารธรรมเหล่านี้อะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกี่ประเภทไล่ตั้งแตตาหูจมูกลิ้นกายใจกามมาพบที่มีขันห้าแล่จนยาประดับสัตว์นรกไปจนถึงโน่นใจระดับอรูปปัมก็มาวิจัยอะไรคือเหตุเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นอะไรคือความดับและตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้น แตกต่างกันอย่างไรแล้วน่ายินดีอย่างไรแล้วมันมีพิษภัยทุกโทษอย่างไรแล้วทำเป็นที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรคิดอย่างไรสลัดออกจากตาได้จากมูจากจมูกจากลิ้นจากกายแล้วก็จากใจได้เนี่ยนะ เ, นเรียกว่าวิจัยใคร่ควรวญโดยแงย่มุมต่างๆโดยนัยยะต่างๆจนได้ตรัสรู้เนี่ยนะ เ, นเรียกว่า คือปกติเนี่ยปัญญาของท่านอย่างที่กล่าวว่าชั่วหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าเรื่องระลึกชาติระลึกชาติได้เก้าสิบกลับหรือเก้าสบเอดกั บ, กบแค่เฮดเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกในแค่นี้ทำใช้เวลามากไหมแป๊บเดียวเนี่ยนะแล้วระหว่างนั้นไม่มีติดขัดเลยเนี่ยนะปัญญาของท่านเนี่ยมันคล้ายๆแบบนั้นเอางี้ดีกว่าบอกถ้าเรากวาดสายตาลืมตาว่าบเนี่ยภาพที่เราเห็นเท่าไหร่อ่นนะนะปั้บนี่อาจจะเห็นนิดเดียวใช่ไหม ถามว่าถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันสองแสงแสงเดินทางเร็วเท่าไรหนึ่งวินาทีนี่กี่แสนกิโลแสนกิโลเศษใชแสนกิโลเศษแล้วแล้วเวลามันมีแค่วินาทีเดียวหรือแล้วแสงมันมีแค่เม็ดแสงเม็ดเดียวหรือแสงที่พุ่งจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันเม็ดเดียวใช่ไหมเม็ดแสงลําแสงท่อเดียวเล็กๆไหมใช่ไหมบอกไม่เนี่ยแล้วแสงประมาณหาประมาณไม่ได้แล้วปัญญาของท่านวิสัยของท่านน่ะคูณดวงอาทิตย์พันเท่าอ่ะ แล้วสองเข้าไปเนี่ยนะก็เหมือนเมื่อดึงเอาภาาเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวที่จะมีอยู่ในอนาคตทั้งหมดทมดั่วอนันันตจักรวาลเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหมดเนี่ยนะท่านไข้ควรวนแล้วไข้ควรวนแบบไม่ใช่ไม่มีวิชาเนี่ยนะบางทีของเราเนี่ยกดปุ่มเออตอนนี้ข่าวประช่องนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนไปเปิดดูทีวีเนี่ยนะกดปุ่มเปลี่ยนช่องไว้เรื่อยหนึ่งสงสามสี่ห้าเราอาจจะมีตาบองเห็นแค่ภาพ อันนันมีหูได้ยินแค่เสียงมีตาเห็นภาพมีหูได้ยินเสียงเขาพูดอะไรเขาพูดอยากบอกอะไรเราเราก็รู้แค่นั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เลยนะเอาวิชาอะไรไปจับอาวิชาติกะมาติกะไปจับทุกกะมาติกะไปจับเนี่ยนะเอาติกะทุกกะทุกะทกะติกะและอาวิชาธรรมสังขีนีวิพังอันนันเอาวิชาพวกอะไรมงคลเป็นต้นเนี่ยไปไข่ครวนประจบอวิชาริยสัตว์เนี่ยนะไปใส่ในนั้นทั้งหมดเครียกว่าดูแบบคนมีความรู้อ่ะ ดูเคียวแยกแยกออกกันนะไม่ใช่คนมีแต่ตาเนื้อเออเนี่ยอ้ากัาบภาพปรสิภาพแต่ไม่รู้รายละเอียดใครเคยไปไหว้เจดีย์มั้งถ้านักพวกกรมศิลป์พวกศิลปากรเห็นภาพเนี่ยนะฐานบัวคว่ำแปลว่าอะไรบัวหงายแปลว่าอะไรโค้งอย่างเงี้ยโค้งเสี้ยวแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะถ้ามันลึกแค่นี้เป็นลักษณะข้อที่บายตั้งฐานเจดีย์ยันยอดเจดีย์หมดแง่มุมเหลี่ยมต่างๆเขาพูดได้หมดนะของเราก็ไปกราบกล่าวแล้วกลับบ้านแนะ นะคือคืออันนี้คือความรู้ต่างมากคือทุกสิ่งเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาสามารถที่จะมอง f i n i s ใคร่ครวญแล้วก็เจาะลึกเข้าใจทั้งหมดแล้วก็ช น, นิดที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้งนั้นพระองค์เนี่ยจึงใช้ปัญญาพิจารณาขนาดไหนจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนะี่ยนะท่านคิดอีกเนี่ยนะเมื่อตรัสรู้กว่าจะตรัสรู้นี่ก็เยอะแล้วนะหลังจากตรัสรู้แล้วพิจารณา สลับกับเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะพิจารณาและควบกับเข้าพระสมาบัติอย่างคืนที่เจ็ดแห่งราตรีเนี่ยคิดทั้งคืนเนี่ยนะใครครวรปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมใครครวรปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมใครครวรทั้งอนุโลมและปฏิโลมใช้เวลาคิด12ชั่วโมงเนี่ยนะปัญญาระดับพระพุทธเจ้าถ้าคิด12ชั่วโมงเป็นยังไงแล้วไม่ใช่นะที่อนิมิสเจดียืนดูอีกเจวันแลเดินคิดอีกเจวันเนี่ยนะ แต่ว่าสลับ ก, กับการเข้าสมาบัติพระพุทธเจ้าหายใจเข้าชั่วหายใจเข้าหายใจออกเข้าสมาบัติได้ล้นะมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะชํานาญขนาดนั้นแล้วไปนั่งพิจารณาที่ทำปดกอีกเจ็วันแล้วไปสวยวิมุตติสุกตามที่ต่างๆแล้วใช้ปัญญาหมดเลยเนะี่ยสี่สิบเก้าวันแล้วก็หลังจากนั้นอีกเนี่ยนะก็ใช้ปัญญาตลอดเลยนะเรียกว่าใช้ปัญญาเพราะกายกรรมทุกอย่างของพระพุทธเจ้าคล้อยตามปัญญา วจีกรรมทุกอย่างของพระองค์คล้อยตามปัญญามนโนกรรมทุกอย่างคล้อยตามปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกปัญญาในควบคุมหมดเนี่นยนะเขารกวอะไรนะคนมีตาเวลาจะเดินไปไหนหลับตาไปไง่ายง่ายไหมเขาใช้ตาเดินนะจัดเหยียบตรงไหนจะวางแต่ละก้าวนี่ยเขาก็กระวัดดูก่อนแล้วค่อยๆทำะนะเขาเรียกว่าคนมีตาฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็ฉะนั้นนั้นใครครวญพิจใคร่ครวญอย่างละเอียดเนี่ยนะ ในหนึ่งคำที่พระองค์พูดออกไปสมมติว่าว่าจีทุกคําที่พระองค์พูดออกไปเนี่ยคำพูดอย่างนี้นำทำให้เกิดเสียงอะไรแล้วเสียงเหล่านั้นมีผลต่อจิตใจกี่คนต่อผู้ฟังเนี่ยนะแต่ผู้ฟังเนี่ยอย่างของเราเนี่ยอาจจะไม่กี่คนแต่พระองค์เนี่ยฟังเป็นจั ก, กรวาลเลยนะแล้วในครึ่งจั ก, กรวาลเนี่ยในหนึ่งคำที่เปล่งออกไปเนี่ยมีผลกระทบต่อจิตใจเขาอย่างไรแล้วก็อ่านใจว่าแล้วต้องใช้คําอะไรที่กระเทือนใจต่อไปอีกพูดยังไงให้เขาดับการมมาราคะ เรียกว่าดับกามาฉันทะพูดยังไงดับพยาบาทพูดยังไงดับทีนามิตะพูดยังไงดับวิจิกิจชาพูดอย่างไรเนี่ยศรัทธาเพิ่มพูดอย่างไรวิริยะเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาเพิ่มพูดอย่างไรแล้วเขากําหนดรอบรู้ทุกพูดยังไงแล้วก็ละสมุทัยพูดยังไงแล้วเขาเห็นพระนิพพานอ่ะพูดยังไงแล้วเขาเจริญศีนสมาธิปัญญาบรรลุโสดาปฏิมาสกะทาคาเมมัชผู้องควบคุมด้วยเสียง ใช้เสียงเนี่ยเป็นตัวควบคุมใช้เสียงเนี่ยเป่งเพราะอนุภาพของปัญญาเนี่ยถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพราะนั้นคำสอนจึงจึงมีคุณมหาศาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาระดับนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่รู้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในโลกไม่ใช่ฐานะแล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าปัญญาเนี่ยมีมากจริงๆเนี่ยนะแล้วแต่ถามว่าปัญญามาจากอะไร พิจารณาทั้งนั้นแหะความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะความเป็นพหูสูตรเนี่ยพิจารณาแต่ว่าพหูสูตรของพวกเราทั้งหลายอาศัยการฟังแต่ของพระองค์อาศัยคือของพวกเราเน้นสุตตมายะปัญญาของพระองค์เน้นจินตามยะปัญญาเนี่ยนะพันทั้งสุตตมายะปัญญาก็คือพหูสูตรจินตามายะปัญญาก็คือพหูสูตรผลของสุตตมยะปัญญาจินตามยะปัญญานั่นแหละคือภาวนามายะปัญญา นะภาวนาเมายัปัญญานั่นแหละคือผลงานที่แท้จริงของของความเป็นพหูสูตรนั้นคนที่มีความเป็นพหูสูตรจริงนั้น น, นะถามว่าพหูสูตรมีอะไรเป็นกําลังกําลังของผู้ที่มีปัญญาเขาทาอะไรพิจารณาเนี่ยนะถามว่าในโลกนี้ใครที่จะพิจารณาเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีเนี่ยนะงั้นการพิจารณาของพระองค์จึงละเอียดที่ท้วนใครไข ค, ครวญทุกแ ง, ทก ง, ทกง่ทุกมุม เรียกว่าทุกเหตุการณ์แล้ก็ทุกอารมณ์แล้วก็ทุกสถานที่เนี่ยนะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการอย่างสมัยพุทธกาลด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยปกติเนี่ยพระองค์ตรวจสัตว์ส่องดูสัตว์วรรษวรมานสองครั้งเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยนะคือรุ่งอรุณแห่งราตรีพระองค์จะเจริญกรุณาต่อสรรพษษัพพสัตวทั้งหลายเจริญเรียกว่าเห็นความทุกข์ยากของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าในในสพษษัพพสัตหาประมาณไม่ได้ตามตามการุณาสมาบัติญาณ หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยนะพระองค์ก็จะแผ่ขายาเรียกว่าตรวจดูอัธยาศัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยอินตริยะโปรประยตยานอาศยานุศยญาณแล้วก็สัพพัญยุตยานตรวจดูอุปนิสยัยทั้งอดีตอนาคตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดทั้ ง, ม, งมวล น, นั้นมีผู้จะตรัสรู้เท่าไหร่เรียกว่าใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาอย่างทีถ้วนละเอียดยิบหมดแล้วก็ตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ ตอนบ่ายครั้งหนึ่งแล้วก่อนจะแสะดงทำก็ตรวจอีกเมื่อแสดงจบแล้วก็ตรวจอีกระหว่างการแสดงก็ตรวจอยู่ตลอดเวลากว่าเหมือนกับคนที่มีตานะก็ดูะนะก่อนไปใครว่าอะไรนะไปไกลก็ดูพออยู่ใกล้ก็ดูเก็ว่าใช้ตาตลอดคนที่มีตาใช้ตาตลอดคนที่มีหูก็ใช้หูได้ต่อเนื่องฉันใดพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาอย่างต่อเนื่องสำรวจตรวจตราโดยใช้พยานต่างๆ เช่นใช้เวสารัชยานสี่ใช้ายานที่กําหนดคติห้าใช้ทศพลยานสิบเป็นต้นเนี่ยนะก็ว่าใช้อสสาธารณัยานหกเนี่ยนะใช้ปัญญาปัญญาพวกนี้เป็นเครื่องมินิไชเป็นเครื่องไข้ครวนเป็นเครื่องสํารวจตรวจสอบว่าจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกได้อย่างไรเนี่ยนะก็ดูว่าพราะองค์ใช้ปัญญามากขนาดนั้นแนละ้วช่วยเราได้หรือเปล่าโอใช้ปัญญาขนาดนั้นถ้าช่วยเราไม่ได้เนี่ยน่าสงสารขนาดไหนเนาะนั่นไง แล้วก็ด้วยบุญกุศลเนี่ยนะที่เกิดจากการฟังเรื่องความเป็นประหูสูตรของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีจารณะคือสุตตะเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีสุตตะเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานสุตตะเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้เราทั้งหลายมีส่วนแห่งสุตตะเหล่านั้นมีปัญญาเพื่อการตรัสรู้พ้นทุกข์ด้วยเทอด น, นะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้